ความเป็นอมะตะอยู่ที่ความดีไม่ใช่เครื่องรางของขลังคนหนึ่งจะสอนคนให้ดำเนินวิถีชีวิตไปตามแนวแห่งศีลธรรมที่ถูกต้องอีกคนหนึ่งก็มาชักใบเรือให้มันเขวไปมันก็เข้าที่ไม่ได้สักทีปัญหาใหญ่ของพระพุทธศาสนามันอยู่ที่ตรงนี้ คนหนึ่งปฏิบัติศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงอีกคนหนึ่งปฏิบัติศาสนาเพื่ออาชีพพวกปฏิบัติศาสนาเพื่ออาชีพนีส่สิมันร้ายมันทำให้ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมปฏิรูปเป็นสัทธรรมปฏิรูปให้มันเขว้ไปสอนให้คนเปนับถือผีนับถือเทวดาอารักษ์อะไรต่างๆนับถือเครื่องรางของขลัง เรื่องรางของคลังเนี่ยหลวงพ่อเรียนทดสอบมามันก็เป็นจริงตามขั้นตอนหลวงพ่อไม่ปฏิเสธที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปประนามว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องเลวไหลมนหนังเหนียวเนี่ยก็เคยไปเรียนมาแล้วฟันแทงไม่เข้าก็ทดลองมาแล้วยังไม่ได้ทดลองแต่ว่าปืนยิงเท่านั้นเองลวกไส้ทะลักและมันก็มีความจริงตามขั้นตอนของมัน ศาสตร์ทุกศาสตร์มันมีหลักความจริงของมันแต่ว่าความจริงของแต่ละศาสตร์เนี่ยมันสู้คุณธรรมไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องอมะตะที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องอมะตะความจริงของศยศาสตร์บางทีมันทำให้คนเป็นคนดีบางทีก็ทาให้คนเป็นคนชั่วมีเครื่องรางของขลังไว้ป้องกันตัวถ้าเป็นตำรวจทหารไปป้องกันประเทศชาติบ้านเมือง บำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาราชมันก็ดีไปแต่บางคนมีของดีแล้วไปเที่ยวเบียดเบียนชาวบ้านไปจี้ไปปล้นอะไรทำนองเนี้ยมันก็เป็นดาบสองคมเพราะฉะนั้นความดีที่เป็นอมตะคือการสร้างความดีให้ตัวเองมีศีลมีธรรมมีคุณธรรมเป็นเครื่องอบอุ่นใจไม่ฆ่าไม่แกง ไม่ข่มเหงรังแกใครอยู่ในศีลในธรรมหาผลประโยชน์ในขอบเขตแห่งศีลธรรมไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันเนี้ยมันเป็นความดีอมะตะ